ตอนนี้ยังเรียนเนติปกรณ์อยู่นะทวนอีกครั้งหนึ่งนะใครเรียนเนติปกรณ์ไม่ได้อะไรก็ได้คําว่าเนติปไปก็ยังดีนะเนตินี้แปลว่าอะไรนําไปอะไรมั่งที่นําไปได้อ่ะตันหานีอย่างเช่นตันหานี่นำไปสู่ภพสามภพสามอย่างเราที่มากันเนี่ยมาด้วยตันหานะอย่าว่าเราเลยพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายก็มาด้วยตันหา แต่ท่านไม่ได้ไปด้วยตัณหาคือตัณหาเนี่ยนำเกิดอันนี้กชาติสังสารังสันทาวิสังอา น, น, อ น, นิพิสังเนี่ยนะขะหาการังขเวสันโตทุกขาชาติปุณณปุนังเนี่ยก็บอกว่าสแสวงหาตัณหาคือนายช่างผู้สร้างเรือนเนี่ยนะท่านก็สร้างเรือนให้เรา บ, าบา่อยๆฉันการเกิดบ่อยๆเนี่ยเป็นทุกข์ร่ำไปฉนั้นตัณหาเนี่ยนำไปสู่พบสามแต่เนติปรกรณ์เนี่ยนะนำไปเหมือนกันแต่นําไปสู่ มรรคผลนิพพานไปสู่โลกุตรธรรมไปสู่ความพ้นจากภพสามทีนี้เนติปรกรณ์เนี่ยนะก็ประกอบไปด้วยหาระนยะและาศาสนาประทานหาระนี่แปลว่าเครื่องกำจัดความหลงความสงสัยความเข้าใจผิดในพระไตรปิฎกเนี่ยนะเครื่องกำจัดความหลงความสงสัยในพระไตรปิฎกถ้าจะว่าไปแล้วนี่ เนติปกรณ์คือคำพีที่สรุปพระไตรปิฎกเนี่ยนะเป็นการเรียบเรียงเรื่องพระไตรปิฎกอีกวิธีหนึ่งว่าพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะก็ประกอบไปด้วยอะไรก็ประกอบไปด้วยอัฏฐกับพยัญชนะอัฏฐกับพยัญชนะหาระ16เป็นเครื่องอธิบายพยัญชนะนยะันยนัยเนี่ยนะเป็นเครื่องอธิบายอัถฐะาศาสนประธานก็วิธีดูสูตร ว่าพระสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยเป็นสูตรชนิดใดบ้างนี่ในบรรดาหาระทั้งหลายที่เราเรียนไปแล้วได้หาระเดียวนะคือเทศนาหาร ะ, เ ท, าาระเทศนาหาระเนี่ยพระพุทธเจ้าอธิบายอะไรนนะหรือพระเนตรพระมหากจัจจายนะท่านอยากให้เรารู้อะไรท่านตั้งเรียกว่าเทศนาหาระท่านอยากให้เรารู้หกคำนะหนึ่งอ า, าธะสองอธีนวะสาม นิสรณะสี่ผลห้าอุบายหออนัตเนี่ยนะหประการเนี่ยเพราะว่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมนะก็แสดงอยู่เท่านี้จะใช้ถ้อยคำวิจิตขนาดไหนก็ตามมีอยู่หคคำนี่แหละคืออาสาทะก็ประกาศอะไรโดยสัจจะสมุทัยสัจจะอาทินวะก็ประกาศทุกสัจจะนิสรณ ะ, ะประกาศ นิโรธสัจจะกับมรรคสัจจะผลก็เป็นผลของเทศนาเช่นผลที่พระ อ, องค์แสดงก็สามัญยผลเป็นต้นเนี่ยนะโสดาปฏิผลเป็นต้นนั่นแหละอันนี้ถ้าเป็นผลของการประกาศอริยสัจของพระพุทธเจ้านะแต่ถ้าผลที่เกิดจากการประกาศการให้ทานการรักษาศีลก็เกิดในสุขติภพเป็นต้นน่นะทีนี้การที่จะได้ผลทั้งหลายก็เกิดจาก อุบายเนี่ยนะถ้าจะสําเร็จผลดังที่กล่าวไปก็อาศัยอุบายทีนี้อุบายเหล่านั้นก็ต้องอาศัยการกระตุ้นเตือนจากพระพุทธเจ้าเรียกว่าอานัตเนี่ยนะอนัตพระองค์ก็กระตุ้นเตือนชี้แจงชี้นาเป็นต้นเนี่ยนะเธอจงทําอย่างนี้เธออย่าทําอย่างนี้นั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์ก็จะสั่งจะชี้แจงว่าเธอจงหลีกเล่นนะเธอจงเจริญสมาธินะพระองค์ก็จะชี้แจงไปนี่ เทศนาระเนี่ยนะก็เป็นการประกาศอริยสัจถ้าประกาศโดยก็การประกาศอริยสัจเนี่ยแบ่งออกเป็น3าใช่ไหมคือโดยย่อโดยพิสดารเนี่ยนะโดยหัวข้อโดยปานกลางนะแล้วก็โดยพิสดารถ้าหากว่าย่อเขาเรียกว่าอุเทศปานกลางเขาเรียกว่านิเทศพิสดารเรียกว่าปฏินิเทศแสดงย่อๆเนี่ยเหมาะกับใคร อุคติตันยูเนี่ยนะภาเราะในเบื้องต้นก็แสดงแบบย่อๆอุคติตันยูฟังแล้วบรรลุเลยอย่างปานกลางเนี่ยคือไงวิปัญจิตันยูฟังแล้วก็บรรลุอย่างที่สามก็เป็นนิยบุคคลเอ๊ะทำไมพระทาประมะไม่พูดถึงก็เอาพวกที่บรรลุเป็นเกณฑ์เนี่ยนะทำไมบรรลุก็ได้วาสนาเดี๋ยวเรียนวาสนาภารยะสูตรจะจะมีนะนั้นพวกที่ เรียนก็ได้สะสมบุญเพื่อเป็นอุปนิสัยเป็นวา ส, สนาต่อไปสําหรับปะทะประมะทั้งหลายทีนี้ผู้ที่เรียนธรรมะเนี่ยนะอย่างของเราทั้งหลายเนี่ยอุเทศผ่านไม่รู้กี่อุเทศแล้วใช่ไหมไม่ใช่อุคติตันยูนะแน่ต่นี้สอบผ่าน น, นะนะถ้าเป็นวัดระดับก็เดินรอดตลอดเลยนัยยะบุคคลไม่ใช่ จะได้ก็ปะทะปรมะเนี่ยนะฟังมากเรียนมากอ่านมากคบหากรายานมิตรเป็นต้นมากอบรมอินรีเรียว่าอินรีห้าจะเจริญโดยอาการสิบห้าไปคิดอะไรมากเลยพระราหุลยังในยะบุคคลเลยพระราหุลท่านบวชตั้งอายุเจ็ดขวบบรรลุตอนอายุยี่สิบถามว่าใช้เวลาขนาดไหนสิบสามปีนะพระพุทธเจ้าตามสอนเหมือนกับไข่ในหินอย่างนั้นนะนะตามสอนมาก นั้นคำสอนตั้งแต่อายุเจ็ดขวบมาเนี่ยห้ามเล่นห้ามคึกขนองเป็นต้นเนี่ยนะโอ้คำสอนโอาวาทอย่างเยี่ยมปกปักรักษาขนาดนั้นเหมือนอุปมาว่าพระองค์เนี่ยรักตามรักษาพระราหุลเหมือนนกนกต้อยติวิตรักษาไข่าจามมารีรักษาขนหางเนี่ยนในที่สุดพระราหุนก็ตรัสรู้ธรรมแม้แต่พระรัฐบาลก็เท่าไหร่สิบสองปีเนี่ยนะ ของเราก็อย่าเพิ่งใจเรียบเลยนะถ้าอ่านทีเทรีคถากับเทรคาฐานะ mm. ก็บอกมีอยู่หลายรูปด้วยกันมานั่งร้องให้บอกบวชมา25ปีแล้วแม้แต่ความสงบใจหน่อยก็ไม่ได้เลยนะศึกก็ศึกไม่ได้บวชต่อก็ไม่เจริญเท่าไหร่ก็เลยร้องให้เข้าไปหากัลยาณมิตรท่านแนะนำเจริญกรรมฐานับรรลุสมัยพุทธกาลนะนั้นของเราสมัยนี้ล้วก็อย่าเพิ่งไปถึงรีบมันก็ไม่ถึงเ อ, เอานะ เรียบมากเดินสมมติว่าทางเนี่ยพันกิโลเมตรเนี่ยนะเดินเท้าเปล่าเนี่ยถามว่าเรียบมากจนเท้าพองเนี่ยจะถึงไหมไ ม, ไม่ถึง น, นะนอนรักษาแผลอยู่นั่นแหละเหมือนกับพระไตรปิฎกมีเก้าสิเ็ดเล่มอ่านวันละเล่มเนี่ยอ่านตั้งกต่ตื่นมาตีสี่อ่านไปจนถึงหกทุ่มเนี่ยนะดีไหมจะอ่านได้ไม่เกินสามวันเนยนะตาเก่งมากแล้วนะที่เหลือก็อาจจะบอดสนิทไปเลยก็ได้นะมันถ้าใหญ่ขนาดนี้เรีบมากก็ไม่ได้ อย่างพระธรรมคำสอนที่พระองค์สอนนะมากมายขนาดนี้เป็นคําสอนประเภทบ่มอินซะีเนี่ยนะเป็นปบ่มศรัทธาบ่มวิริยะบ่มสติบ่มสมาธิและปัญญากว่าจะสุกงอมเต็มที่ถ้าหากว่าเมื่อเขามีอินทรีย์เต็มที่บ่มวิมุติเต็มที่แล้วนะพระองค์ก็จะประกาศพระสูตรประเภทนิเพทภาคยะนะพระสูตรประเภทชําแรกกิเลสเขาฟังจบเขาก็ U, see, w, บรรลุเนี่ยนะของเราก็ไปคัดหาแต่สูตรประเภทบรรลุมามาเอาเฉพาะแต่ที่เขาฟังสั้นๆเร็วๆแล้วบรรลุเร็วๆเราก็ไปเอาแต่สูตรประเภทนั้นมาแต่สูตรประเภทบ่มมิมุตจำไม่ค่อยได้สูตรประเภทบ่มมิมุตนะเราอ่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราน่าจะให้ความสําคัญพระสูตรประเภทบ่มศรัทธาเป็นต้นเนียนะบ่มศรัทธาสัตทินรียเราจะได้มีกําลังยิ่งขึ้นเนี่ยนะ บางคนก็บอกว่ารีบบรรลุมากจนไม่รู้คุณของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เลยทงอีกนนะไม่รู้บรรลุอะไร <c oughs> ทีนี้ในเทศน า, าระเนี่ยนะมันเป็นเป็นการประกาศอริยสัจธรรมในพระาศาสนาเพราะว่าตัวเทศนาที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะไม่มีพ้นอริยสัจพระพุทธเจ้าสอนทุกสูตรคือการประกาศอริยสัจหมดเลยเนี่ยนะเป็นการประกาศอริยสัจของพระองค์ เั้นการที่เรามาวิจัยนะเห็นถ้าสูตรปั๊บแต่ละบทเนี่ยบทนี้พระองค์กําลังแสดงอัศาธาอยู่หรือเปล่าหรือแสดงอาทีนวะหรือแสดงนิสรณะอยู่เนี่ยนะหรือนี่เป็นผลของการแทงตลอดอัศาธาอาทีนวะและนิสรณะเนี่ยนะนั้นคำว่าอัศาธาอาทีนวะนิสรณะก็เป็นอีกวัยพจศหนึ่งของอริยสัจเนี่นะก็บางคนฟังคําว่าอริยสัจนึกไม่ออกเลย น, นะ่ยนะ ไม่รู้ว่าเอ๊ะมองให้เป็นอริยสัจมองไม่ออกนึกไม่เป็นเอางี้ก็ได้นึกว่าอย่างเราจะพิจารณาโดยอริยสัจนะเรามีลูกมีหลานเนี่ยเราคิดเป็นอริยสัจคิดไม่เป็นเลยนะนึกถึงลูกก็ได้อนึกถึงหลานก็ดีแล้วก็มานึกว่าลูกหลานของเรามันน่ารักยังไงมันมีอาสาท่าอย่างไรจะเห็นอาสาทะเลยใช่ไหม ทีนี้ลองมาดูอาทีนวะแล้วมันป่วยเป็นไหมละ่ะมันกระจององอแงไม่มันเรื่องมากไหมดูแลยากไหมแล้วมันมีกิเลสมันร้องไห้เป็นไหมมันหนีไปเที่ยวบ่อยไหมอะไรไม่ถามสร้างความเจ็บช้าน้ำใจให้เราขนาดไหนอันนั่นเป็นอาทีนวะนะในที่สุดมันไม่ตายจากเราเราก็ตายจากเขาเลี้ยงดีขนาดไหนเมื่อวานก่อนเห็นโยมคนหนึ่งอายุเจ็ดสิกว่าแล้วเกือบจะแปดิ มากันนึกถึงโอ้โหสมัยที่เขายังอายุน้อยน้อยนะสิบห้าปียี่สิบปีสาสิปีสงสัยคนประคับประคองดูแลเขาเป็นอย่างดีนะตอนนี้รุ่นประคับประคองหายตายจากไปหมดแล้วนะก็เหลือให้ยายเนี่ยเดินอยู่คนเดียวก็โผ ล, กกล่กระเปลดเต็มทีแล้วนะทีนี้เขาก็เหมือนกันเขาเคยประคับประคองใครเดี๋ยวเขาก็ตายหนีจากไปอีกเนี่ยนะคนหลังก็สืบทอดประเพณีโลกเป็นไปอย่างนี้ใช่ไหมนั่นนนัคืออาท์ินวะโทษที่มีอยู่ที่เห็นเห็นกันอยู่ มันถึงเราจะไปเพลิดเพลินกับสิ่งใดมากเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้อยู่กับสิ่งนั้นตลอดไปพระองค์ตรัสว่าความเป็นหนุ่มเป็นสาวมีอะไรมาจํากัดนะมีความแก่ความชรามากําจัดหรือจํากัดเอาไว้นี่นะสิ้นสุดความไม่มีโรคมีความป่วยไข้เป็นที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าไปชมร่างกายว่ามันจะดีมากมายอะไรนะมันยังไม่งองแงเฉยเฉยแบ เนะรกาก็นึกว่าใช้ตาอยู่ทุกวันไม่มีปัญหานั่นแหละอย่างที่เขาว่านะใช้มาเก้าสิบเก้าครั้งแล้ว ย, ยังไม่มีปัญหาบอกมันจะมีครั้งที่ร้อยพอดีเลยลักษณะนั้นเนะชื่อมากไม่ค่อยได้นั้นความไม่มีโรคมีความป่วยไข้เป็นที่สุดแล้วการมีชีวิตอะก็มีความตายในที่สุดเนนะในที่สุดก็หนีไม่พ้นทุกการเฉลีย่ยแล้วสองเดือนคนอย่างเง ตอนนี้เดือนละคนนะเนี่ยนะกะ็คาแทแทบเข้ามาใกล้ใกล้ใกล้ใกล้เฉ <c oughs> <c oughs> พาะรุ่นเดียวกันนะรุ่นรุ่นก่อนกับรุ่นหลังไม่นับนะะรุ่นเดียวกันเนี่ยเดือนละคนนะเมื่อก่อนก็เดือนละสองสองเดือนคนตอนนี้ก็จะเดือนละคนนะ <c oughs> ที่เหลือก็เข้าเตียงรอแสดงว่าทุกคนมานักโทษประหารทั้งนั้นเลยนะเ อ, อนักโทษประหารทะเลาะกันเลย เสร็จแล้วก็ถูกประหารเหมือนกันหมดที่เขาเปรียบเทียบอุปมาเหมือนชาวบ้านเขาเอาไก่เนี่ยมาเข้าสมไปสี่ห้าตัวนะแล้วไก่มันก็ตีกันทั้งคืนนะเช้ามาก็ถูกเขาต้มมดนั่นะนี่ก็เหมือนกันนะนะสัตว์ทั้งหลายทะเลาะแก่งแย่งวิวาทกันศึกชิงกรามทั้งหลายนะในที่สุดถามว่าสึกชิงแผ่นดินเนี่ยแล้วแผ่นดินมันเป็นของใครนะแผ่นดินก็ไม่ได้เป็นของใครนะสึกสึกชิงกันเป็นเจ้าทะเลอย่างนั้น สรุปทะเลก็อยู่เหมือนเดิมะนะคนชิงกันตายไปหมดแล้วนะเป็นผีเฝ้าทะเลเรียบร้อยหมดแล้วนี่เหมือนกันนะมันไม่ใช่ของใครจริงๆเพราะสิ่งนั้นนะจึงเรียกว่าเป็นอาทีนวะหรือถ้ามองมีรถยนต์เนี่ยนะการที่มีรถนี่มันน่าชื่นใจขนาดไหนใช่ไใช่นะล้วคิดอาทีนวะด้วยนะดูแลขนาดไหนไปเสียอยู่กาแพงเพชรนีนะ่แหละจะรู้โอ้โหมันอาที น, นะวะจริงๆผู้การนะ่แหละรถไปเสียอยู่กาแพงเพชร นันแหละนนะอาทีนวะนะชื่นชมกันมาตลอดแหมมันดีมา ก, ก น, นะตอนนี้ไม่ใช่ละร่างกายของเราก็เหมือนกันถ้ามันแข็งแรงมา ก, ก น, นะเดี๋ยวจะยกไม้ยกมือก็ไม่ค่อยขึ้นเกิดมาไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยไข้เนี่ยแหละมันจะป่วยดีนักเลยนั่นนะถึงเวลาป่วยเวลาไข้นะมันจะป่วยมากกว่าคนที่ที่เจ็บอดอ ด, อดแอด แ, อดแอดมาตลอดก็อย่าไปชมร่างกายมันนักนะนะนั่นคืออาทีนวะของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ถามว่าเมื่อเราฟังอาศาัศะถาอาทีนวะเป็นอย่างนี้แล้วนะียเราคิดยังไงนี่ยนะน่าจะระลึกถึงพุทธพจน์พระองค์บอกว่าควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดในขันห้าเนี่ยนะพอแล้วนะเพียงพอได้แล้วเนี่ยนะเสียใจกับสิ่งเหล่านี้มาม า, มากพอแล้วเนี่ยนะเมื่อไหร่นะจะเป็นครั้งสุดท้ายนะียที่เรียกว่าทิ้งภาระอันนี้แล้วจะไม่ถือเอาภาระอันใหม่แต่ในระหว่างที่มีชีวิตอยู่เนี่ยก็หัดปล่อยภาระ ทำยังไงที่จะปรองภาระคืออะไรเป็นภาระที่สุดขัน5้านะก็ในขณะที่ลืมตาเนี่ยเป็นภาระมากนะกว่าจะเห็นได้นี่ไม่ใช่ง่ายๆนะกว่าจะได้ยินเสียงได้กว่าจะมีชีวิตยอยู่ได้เนี่ยโอ้เป็นภาระที่ประคบประงมดูแลกันมากเลยแหละทีนี้ในเทศนาหาระเนี่ยจุดประสงค์ก็เพื่อที่พระองค์แสดงทั้งหมดนะพุทธศาสนามีรถเดียวใช่ไหมคือ มุติรสเนนะเพื่อกนจับฉันธราคะาในอุปาทานขันห้าทั้งปวงทีนี้ถ้าพิจารณาโดยเทสนาหาระแล้วก็ยังไม่ทราบซึ่งไม่เข้าใจท่ามหากจรยนะท่านบอกให้ให้รู้จักวิจัยให้เอามาวิจัยวิจัยเป็นอะไรวิจัยเป็นบทเป็นบทก็เป็นภาษาบาลีเขานะก็เป็นภาษาไทยก็ให้ดูทุกคำนะนะตรวจคำละตรวจเป็นคำคำเหมือนกับการตรวจ หนังสือก็ดูอักษรเนี่ยอักษรมันผิดอักษรถูกยังไงเนาครว่าวินิจฉัยบทแล้วก็วินิจฉัยคำถามและคำตอบเพราะในพระไตรปิฎกนี้มีทั้งคำถามและคำตอบเช่นในสมัยที่พระองค์ยังมีพระชนอยู่นี่ตอนปัจฉิมยามแห่งราตรีคือช่วงสี่ทุ่มถึงตีสองเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่เทวดาทั้งหลายมาถามปัญหาเนี่ยนะจะมีผู้มาถามปัญหา เทวดาก็มาถามปัญหาเป็ น, ปนสังยุตหรือนะเรียกว่าสขารวรกหรือเทวปุตตะสังยุตเป็นต้นนะนะแม้กระทั่งมนุษย์ทั้งหลายก็ไปเทก็ไปทูลถามปัญหาไม่ว่าจะเป็นพระราชามหากษัตริย์พระเจ้าพิมพ์พิสารพระเจ้าประสิทิ์ที่โกศลเป็นต้นก็ถามปัญหากับพระพุทธเจ้านะคนชั้นบรรณพราหมณ์เทศสูตรครหัตบรรปชิตเทวดาและมนุษย์ก็เข้าไปถามปัญหาพระพุทธเจ้าแล้วก็วินิจฉัยปัญหา ปัญหาของคนสมัยก่อนเขาถามต่างจากคนสมัยนี้นะถ้าสมัยก่อนเขาถามปัญหาว่าไงเขไปถามว่าข่าแต่พระองค์ผู้เจริญแปลแบบไทยๆเราบอกทำยังไงไอความสำคัญว่าเป็นเราไม่มีทำยังไงจะละความสำคัญว่าเป็นของเราทำยังไงจะตัดมานะได้อะนะเนี่ย รู้สึกภูมิใจในในสิ่งที่มีอยู่เหลือเกินทํายังไงจะตัดมานะในสิ่งเหล่านี้ได้ทํายังไงจะตัดนิมิตทั้งหมดเหล่านี้สังขารนิมิตทั้งไม่อยากรับรู้นิมิตทั้งปวงเหล่านี้แล้วะนะก็ถ้าเป็นภาษาบาลีบอกถามว่าทํายังไงจะละอาหารการมมังการมา น, านานุสัยและสัพพานิมิตภายนอกทั้งหมดนะซึ่งต่างจากยุคนี้ใช่ไหมโอ๊ยทํายังไงจะมั่งจะมีขึ้นนะทํายังไงของเราจะได้มี เ, อเยอะๆนะนะ ก, ก็แตกต่างกันใช่ไหมแต่ขอบรร ล, ลุเท่ากันเงี้ยมันก็ไม่ได้แ้วสมัยก่อนเขาถามว่าทำยังไงจะละความสําคัญว่าเป็นเราละความสําคัญว่าเป็นของเราแล้วไม่มีมา n a ในในในแม้กระทั่งเจริญกุศลอยู่ก็ไม่มีมานะในกุศลทั้งหลายและพ้นจากขันสักทีหนึ่งเรียกว่าตัดสัพพานิมิตภายนอกที่เป็นสังขาร น, นิมิตขันนิมิตทํายังไงจะเลิกมีรูปนามเป็นอารมณ์สักทีหนึ่ง เลิกมีบัญญัติเลิกนี้อารมณ์แบบนี้สัทีหนึ่งนะออกจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดได้ยังไงนี่เป็นคําถามสมัยก่อนนะเป็นสมัยนี้ก็ตรกถามตรงกันข้ามหมดนะทํำยังไงจะเอาจะได้อันนั้นเยอะๆอย่างเนะงี้นะจะริยนวิปัสสนาอย่างไงจะรวยมากขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยคนละวัตถุประสงค์กันทีนี้เมื่อเราวินิจฉัยว่าคําถามเป็นลักษณะใดเมื่อคําถามเป็นอย่างนะั้นแล้วพ้องตอบว่ายัางไงนนะเรียกว่าวินิจฉัย คำตอบเมื่อวินิจฉัยคําตอบปั๊บแล้วคําหน้ากับคําหลังเข้ากันได้ไหมคําถามกับคําตอบเนี่ยเข้ากันได้หรือเปล่าเราบกว่าวินิจฉัยคําหน้ากับคําหลังแล้วต่อไปอีกก็เอาหลักนะว่าคําถามคําตอบการสนทนากันที่สัมพันธ์กันข้างหน้าข้างหลังทั้งหมดน่ะก็เพื่อแสดงอาศะทะอาภีนวะนิสรณะนะผลอุบาย อนัตตามเดิมนั่นแหละก็ไม่ได้พน้พนหลักการเทศนาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ครั้งก่อนรอกนะนะแล้วก็คําถามคําตอบเนี่ยการถามการตอบจะต้องเป็นไปตามแนวเดียวกันนะคือแสดงธรรมก็ต้องไม่ขัดกันนะถ้าสอนพระไตรปิฎกก็ต้องไม่ใช่ว่าขัดกันเองนะพระไตรปิฎกขัดกันเองต้องไม่ขัดกันเองให้สอดคล้องสัมพันธ์กันรับสมอ้างกันได้นี่นะนะทีนี้ใน เนติปกรณ์ท่านก็ยกคําถามของท่านพระชิตามานกนี่นะอาชิตามานวกปัญหานิเทศหรืออาชิตามานุปัญหาในปรายณวัคนี่นะที่ท่านพระชิตะ ม, มาถามพระพุทธเจ้าท่านพระชิตะนี้ฟังคําถามจบ เ, เมื่อถามคําถามพระพุทธเจ้าตอบ พอจบคาตอบท่านก็บรลุกเป็นพระอรหันต์ลูกศิษย์ของท่านที่มาด้วย 1,000 ันก็บรลุเป็นพระอรหันต์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่สังสมอุปนิสัยมาร่วมกันก็บรรลุเป็นพระอริยะเบื้องล่างมีพระโสดาบันพระสกท า, ธธาคามีและพระอนาคามีทีนี้เราก็มาวิิจฉัยดู ว, ว่าคําถามที่ท่านท้าชิตะมานพเนี่ยถามโดยวัตถุประสงค์ของการถามก็คือถามอริยสัจนี่แนหะถามอริยสัจเช่นคําถามอันแรกว่าโลกอันอะไรหุ้มห่อไว้ โลกนั่นนะไม่ปรากฏเพราะอะไรเพราะความตนีเพราะความสงสัยใช่ไหมโลกอะไรฉาบทาเอาไว้ตันหาฉาบทาโลกแล้วก็สุดท้ายอะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกบอกว่าทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกนั่นนะคำถามกับคําตอบอันนี้พระองค์ประกาศอาทีนวะเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเท่ากับประกาศอาทีนวะเพราะว่าทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกทุกมาตั้งไหนบ้างล่ะ ถ้าโดยถ้าไล่โดยคติก่อนนะทุกในอบายอบายสี่ก็ทุกทีนี้ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ละทุกไหมทุกตั้งแต่การยังลงสู่คันแห่งมารดากขาบอกเอ๊ไม่เห็นหน่ากลัวเลยอะ่ะถ้าเกิดในท้องแม่มเห็นหน่ากลัวตรงไหนหน่ากลัวหรือไม่นะถ้าแม่เป็นเอชยังไงอ่ะเห็นไหมหรือถ้าแม่ป่วยอยู่เนี่ยนะอันนี้ก็ปัญหาตั้งแต่แรกและแล้วบริหารคันอีกล่ะ แล้วอยู่ในครันมาแนละ้วออกมาคลอดออกมาแล้วจะมาเรียนหนังสื อ, อยังไงป่วยไข้แล้วเอาอะไรรักษานะ่ยนะแล้วเรียนหนังสือไปอยังไงแล้วก็มาสะพายกระเป๋าขึ้นรถเน่ยนะตื่นนะนนะก็บอกว่าตื่นแต่ดึกเลยใช่ไหมแบกกระเป๋าขึ้นมาท่านคนที่อายุมากหน่อยนะก็เห็นเด็กๆเกมื่อไหร่ก็คิดนะกลับมาสะพายกระเป๋าแบบนี้อีกรอบหนึ่งแล้วนะเอาไห้ยนะังก็มาสะพายกระเป๋าเข้าโรงเรียนเริ่มหนังอนุบาลแบบนี้อีกแล้ว ก็อยา ก, กลัวเลยถ้าถ้าไม่ละตันหานะยังไงก็ได้แต่นี้จะไปเข้าโรงเรียนาศาสนาไหนอีกเรื่องหนึ่งเลนะเพราะว่าหนึ่งนะโรงเรียนพุทธไม่ค่อยมีชื่อเลยพ่อแม่เรานะถ้ามีฐานะหน่อยเขาไม่ส่งโรงเรียนพุทธง่ายๆหรอกเห็ไหเราเขาไม่สอนโรงเรียนพุทธใช่ไหมสอนโรงเรียนอื่นนะทีนี้ของเราเนี่ยว่านอนสอนง่ายใช่ไหม <laughs> เฉพาะในเรื่องข้นแรกนะโอ้โหเขาให้ทำอะไรทำหมดอะ่ะนั้น ได้เกิดมาได้ชาติทุกข์นะแล้วก็รับทิฏฐิอันอื่นต่อไปอีกนะั้นการเกิดหรือการมีขันธ์ห้าทุกข์เพราะการบริหารขันธ์หก็ภาระหนักหนาะสาหัสอยู่แล้วและขณะเดียวกันก็ต้องทํากรรมกับสร้างกรรมใหม่ทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งชาติวัตฏะก็เป็นไปอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดมันกล่าวว่าทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกอันนี้เป็นการประกาศอารทินาวะ นะว่าเออทุกเนี่ยมันเป็นภัยใหญ่ของทุกคนอย่างเราทั้งหลายมาศึกษาธรรมะเราก็บอกตรงๆก็เรากลัวทุกนี่นะน้อยที่สุดใครถามว่าใครกลัวทุกอะไรบ้างตอนนี้นนะถ้าถ้าอายุมากหน่อยก็บอกว่ากลัวทุกในการเกิดเนี่ยนะก็จะต้องเกิดในอบายนี่นะถ้าหากว่ า, ายุน้อยๆ ห, หน่อยก็กลัวทุกเพราะการแก่การป่วยการไข้นี่นะ ถ้าอายุน้อยกว่า น, นี้กลัวทุกข์เพราะการทำมาหากินเนี่ยนะเป็นต้นก็ทุกข์แต่ละคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่สรุปว่าทุกคนเนี่ยมีทุกเป็นเป็นปัญหาที่ที่ใหญ่กันหมดเนี่ยนะต้องแบกภาระคือกองทุกข์กันเหมือนกันทุกคนค้นถามเนี่ยนะถ้าโดยพูดเห็นเห็นเลยนะอดีตชาติท่านอาชิตะมานพเกิดในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวัคคสปะตอนปลาย แต่ว่าเป็นพระราชาอยู่กลุ่มปัจจันตชนบทเนี่ยนะคื อ, คอเขามีหัวหน้าใหญ่ชื่อว่าพราหมณภาวีเรียกว่าพระเจ้ากัฏฐวากัฏฐวาหนะเนี่ยนะคือพระเจ้าพระราชาที่มีไม้เป็นยานพาหนะเนี่ยเป็นช่างไม้เก่านะตอนหลังก็อภิเสกตนเองขึ้นเป็น ก, กษัตริย์ตอนหลังเขามีเพื่อนที่อยู่ในเขตมัชชิมชนบทคือพระพุทธเจ้าอยู่ในมัชชิมชนบทนี้เพื่อนก็ส่งข่าวสารไป รูปแบบคล้ายๆพระเจ้าปุกุตสาติคล้ายๆกันทีนี้พระราชารูปนี้ก็สงสัยว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าก็เลยให้อําตสิ16ท่านพร้อมทั้งทหาระนะทหารคนละพันคนละพันคนละพันเนี่ยติดตามมาทีนี้พวกอมาตก็ลา ม, มาบอกท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีในโลกจริงขอบวชท่านเหล่านั้นก็ติดตามมาก็เป็นสมัยที่พระพุทธเจ้าปรินิพานท่านก็เสยียใจกันมาก แต่ก็บวชในที่สุดก็บวชบวชนี้บําเพ็ญสมณะธรรมจนสิ้นชีวิตเนี่ยนะท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ตลอดพุทธันดอนหนึ่งทีนี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นในโลกเนี่ยนะเขาก็อยู่ในเมืองสาวัตถีมาก่อนเพราะว่าพราหมณ์ภาวรีเนี่ยเป็นอาจารย์ของพระเจ้ามหามหาโกศลคือพระเจ้ามหาโกศลเนี่ยเป็นสเสด็จ พ, พระปิตุคือเป็นพ่อของพระเจ้าประสิทธิที่โกศล ทีนี้พอพระเจ้าประเส้นที่โกศลขึ้นครองราชภาวรีพราหมณ์ก็ลาบวชนีนะนะพอพราหม์พาวรีพราหม์ลาบวชลูกศิษย์ผู้ใหญ่สิบหกคนก็ออกบวช ด, ด้วยพร้อมทั้งบริวารอีกคือแต่ละคนนี่เขาจะมีลูกศิษย์คนละพันคนละพันคนละพันแล้วในสำนักนั้นก็มีสิทธ์โง่อยู่ห้าร้อยนะีนะสิทธ์โง่อยู่ห้าร้อยเพราะอาจารย์ใหญ่สอนสิทธ์โง่ภาวรีพราหม์เขาสอนลูกศิษย์ที่ว่านอนไอ้ว่าไม่ค่อยนอนอ่ะนะสอนก็ยากเรียอยู่ห้าร้อย แต่ว่าไอ้พวกไหนสอนดีๆก็ลูกศิษย์ก็เอาไปสอนกันหมดแล้วทีนี้ตอนหลังเนี่ยถ้ามีปัญหาชีวิตขึ้นคือภาวรีพราหม่มีคนมานับถือมากก็จะมีเครื่องบรรณาการเยอะเขาจะถวายเขาจะทำบุญเนี่ยทุกปีที่เรียกว่าทําบุญใหญ่ทุกปีมีอยู่ครั้งหนึ่งพอทําบุญเสร็จที่เรียกว่าบูชายันตไปเสร็จไปพราหม์เจ้าเล่ยอยู่คนหนึ่งเขาก็เดินกระโผลกกระเพลกกระโผลกระเพลเข้ามาเขาบอกว่า เออท่านมาก็ดีแล้วบอกว่ามาะนะเชิญนั่งเชิญดื่มน้ําก็ตอนรับปราศัยเป็นอย่างดีพรามคนนี้ก็บอกอ่าตอนรับเชื้อเชิญกันเสร็จก็บอกขอตังค์ห้าร้อยห้าร้อยสมัยนั้นน่นก็เท่าขอห้าแสนสมัยนี้แหละขอห้าร้อยก็บอกโอ้ไม่มีแล้วข้าพเจ้าให้ทานไปหมดไอ้พรามนี่มันเล่เหลี่ยมบอกถ้าท่านไม่มีไม่ให้นะเด็กเจ็วันหัวท่านจะแตกนะนะสาบแช่งเขาก็ทําวิธีหลอกลวงอะนะขีดนโน่นขีดนี่รูปแผ่นดินรูปอะไรว่าไปเรื่อยทำให้ ภาพร์พราหม์ก็เชั่อตัวเองเนี่ยจะตายแล้วภายในเจ็ดวันคนนี้ถ้ามีใครมากําหนดอายุให้เจ็วันเนี่ยนะมีความสุขไหมเหมือนกับว่าถูกแช่งชักหักกระดูกต่อหน้าต่อตาให้ตายไปในเจ็ดวันเนี่ยํานวนโบราณ บ, บอกเผาพริกเผาเกลือต่อหน้าต่อตาเนะียตายภายในเจ็ดวันเนี่ยยิ้มไม่ออกก็ทุกข์มากนั่งเครียดอย่างเดียวโศกมากเศร้าโศกเพากลัวจะตายอีกเจดวันจะตายแล้วของเราถ้าอีกเจดวันพอรู้อย่างนี้นะจะยิ้มไหมยิ้มไม่ค่อยออกกันนะ ก็บุญ น, น้อยก็อย่างงี้นะมันไม่ค่อยบันเทิงในโลกนี้เท่าไหร่นะโลกหน้าก็จะไปแล้วก็ไม่ค่อยบันเทิงก็บุญ น, น้อยแต่ถ้าพวกบุญมากก็ไม่มีปัญหานี้พรามพาวรีพรามก็เดือดร้อนพอเดือดร้อนก็เทวดาที่อยู่ใกล้ๆนั่นแหละเขาสงสารก็บอกความจริงว่าไอ้พรามนี่มาขอตังค์เนี่ยเจ้าเล่นะเชื่อถือไม่ได้หรอกพรามนั้นเขาไม่รู้จักศรีรษะและธรรมะที่ทําให้ศรีรษะตกภาวรีพรามก็ได้ช่องเอาแล้วใครรู้บอกพระพุทธเจ้ารู้ นะบอกคําคว่าพระพุทธเจ้ายังหาได้ยากในโลกว่างั้นแล้วพระพุทธเจ้าตอนนี้พระองค์อยู่ที่ไหนก็ถามกันบอกว่าตอนนี้พระองค์อยู่ที่เมืองสาวัตถีนะเพราะฉะนั้นให้ท่านเข้าไปถามปัญหากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถอะภาวรีพราหมกก็อตอนนั้นอายุ120แล้วก็เลยเรียกลูกศิษย์มาลูกศิษย์ทั้ง16คนมาก็กท่านไปสืบดูซิว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาจริงหรือเปล่า ลูกเสือก็ถามมาจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่จริงเอาก็เรียนวิชามหาปริศลักษณะมาแล้วก็ดูตามมหาปริศลักษณะเอาแล้วก็ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงถามปัญหาด้วยใจพระ อ, องค์ตอบด้วยวาจาอันนี้เป็นเครื่องวัดหนึ่ ง, น, งนะไปถึงก็ให้ไปถามด้วยใจแล้วก็ตอบด้วยวาจาฉะนั้นพ ร, พราหมณ์ทั้งหมดเหล่านี้ก็ติดตามมาที่เมืองสาวัตถีพานมาเกือบสิบเมืองเนี่ยนะเดินทางพระพุทธเจ้าเนี่ย ตอนนั้นอยู่ที่เมืองสาวัตถีรู้แล้วว่าพราหมณ์สิบหกคนกับลูกศิษย์อีกหนึ่งพันคนพวกเทวดาและมนุษย์ติดตามมาเยอะปองรู้ว่าอินทรีพวกนั้นไม่แก่กล้าอินทรีไม่แก่กล้าพระองค์เสด็จมาเรื่อยๆมาที่แวคว้นมคธนะจากสาวัตถีมามคธเนี่ยไกลนะประมาณกี่กิโลดีจันสันติแต่ว่าหลายร้อยกิโลเนี่ยนะสี่สิบประโยชน์เนี่ยนะก็หลายร้อยกิโล พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆนะให้พวกนั้ น, นเสด็จตาให้ติดตามมาเรื่อยๆเพราะอินทรีไม่แก่กล้าก็ว่าถ้าอยู่ต่อปัญหาก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่ให้เขาติดตามไปเรื่อยๆวิธีบ่มอินทรีนะดึงเวลาเท่านั้นเองพระองค์ก็เสด็จไปไปที่ปาสาณเจดีอชิตามานพก็ติดตามกันเหมือนคนกระหายน้ําตามหาน้ําหมืนะจากเจอพระพุทธเจ้าเต็มที่ก็ติดตามเทวดาและมนุษย์มาประชุมกันในรัศมีอ่า เป็นร้อยกิโลเทวดาและมนุษย์เพราะในสมาคมเนี่ยบรรลุหลายสิบโกดเนี่ยนะหลายสิบโกดมากที่ที่บรรลุอริยสัจนะแต่ก็ไม่มีเราเองนะน่าจะมีบ้างะนะเยอะแยะขนาดนั้นนะ <c oughs> ก็เพราะเขาก็ติดตามไปนะที่ตามมานบเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นหัวหน้าสิทธ์เขาก็ถามปัญหาก่อนนะอย่าลืมว่าท่านเหล่านี้เป็นคนที่ออกบวชมาหลายปีนะโ ด, ดเข้าเป็นนักบวชแล้วในกลุ่มลูกศิษย์เหล่านี้เนี่ย หลายคนได้ฌานหลายคนนี่ได้ฌานได้อารูปฌานก็มีได้ฌานสี่ก็มีได้อารูปฌานก็ ม, ก ม, ปปกมีแต่ว่าท่านอาชิตาเนี่ยท่านไม่ได้กล่าวว่าท่านได้ฌานหรือเปล่าแต่ว่ารุ่นน้องๆของท่านเนี่ยได้ฌานกันนั่นก็ถามปัญหาอันนี้นั้นปัญหาที่ถามก็ถามเรื่องชีวิตคำว่าโลกหมายถึงชีวิตหมายถึงสัตว์ทั้งหลายนั่นเองชีวิตนี่อะไรห่อไหม ทำไมมันทุกขนาดนี้นะอะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกมันไม่ปรากฏเพราะอะไรก็เป็นคำถามวนรอบเรื่องชีวิตนั้นพระองค์ก็ประกาศสัจจะคือทุกขสัจของชีวิตมาทุกเนี่ยเป็นภัยใหญ่ของโลกใช้คาว่าทุกเขาเข้าใจทันทีอันนะคำว่าทุกหมายถึงอะไรทุกบวกขังทุกแปลว่าเร็วมากเนี่ยนะทุกปุตโตลูกเร็วงนนะขังแปลว่าอากาศว่างเปล่าอ น, นะ ซอนกไก่เข้ามาเรียกว่าทุกขังทุกขังก็แปลว่าเลวมากแล้วก็ว่างเปล่าเห็นไหมทั้งเลวด้วยทั้งไม่มีเอ่อทั้งว่างเปล่าคําว่าว่างก็คือไม่มีความเที่ยงความสุขความยั่งยืนความงามอัตตาที่แท้จริงอยู่ในนั้นเรียกว่าทุกเห็นไหมแต่คําว่าทุกขในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าชาติภัยเพราะคําว่าทุก์แบ่งออกเป็นทุกขทุกสังขารทุกขวิปริณามะทุกถือว่าทุกเนี่ยเป็นภัยใหญ่ของ ของโลกเลยแหละ